Thank you.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 าเราใช้วิธีกดข่มคล้ายๆกับดุจวิธีของคนที่ทําสงครามกองโจร น, นะนะมันมีหลักนะว่าเนี่ยมึงมาฆ่ามุดมึงดุดฆ่าแย่มึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตามอันนี้พวกเป็นวิธีของพวกทาสงครามกองโจรเวลาสู้กับรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลนี่มีกําลังเหนือกว่าก็ถ้ามาก็มุดนะแต่ถ้าหยุดมันแหละกูก็แย่มันนั่นแหละ ถ้าเผลอถ้าพลังนะก็โดดเล่งงานอารมณ์พวกนี้มันเป็นอย่างนั้นแหลนะตอนที่เรามีสติดีหรือว่ามีกำลังทางจิตดีกดขมมันเอาไว้มันก็หลบแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนคอยโผล่แล้วบางทีโผล่มาในลักษณะที่เราคาบไม่ถึงหรือไม่รู้ทันย่งมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย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 ไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นช่วครูช่ช่วยามหรือเฉพาะหน้าเท่านั้นมีผุชายคนหนึ่งแกเป็นคนที่อหันมาสนใจการทําสมาธิแล้วก็ทําได้ดีด้วยจนกระทงจิตสงบแต่ไม่อยู่คราวหนึ่งนะพอจิตมันสงบมากเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพในนิมิตเป็นภาพมือมืออย่างเดียวแลยมือข้างเดียวเลยพอแกเห็นภาพนี้ในนิมิตเนี่ย ทั้งโกรธทั้งกลัวเพราะมือเนี่ยมันคือมือของพ่อเป็นมือที่เคยตบเคยตีเขาสมัยที่ยังเป็นเด็กนะทั้งกลัวเลยนะกลัวแล้วก็โกรธนะจนกระทั่งนั่งสมาธิต่อไม่ได้ต้องเลิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนั่งสมาธิทีไรพอจิตมันดิ่งสงบนิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเนี่ยแล้วก็จะกลัวมากโกรธ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 ก็โกรธพอโกรธก็ยิ่งทํำร้ายพอทําร้ายก็ยิ่งไม่ได้รับความรักวนอยู่งั้นแหละพอผู้ชายเนี่ยแกพิจารณาดูเนะี่ยแกก็สงสารพ่อขึ้นมาเข้าใจพ่อเลยทำไมพ่อ น, นี้ทําอย่างนั้นกับลูกและเมียเกิดเป็นความเห็นใจขึ้นมาแทนความเมตตาความสงสารก็มาและพอแกให้อภัยพ่อได้นะีหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ไอ้มือที่มาบิงบอนขอ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 อันนี้เป็นเรื่องที่แจ็คคอนฟิวแกเล่าแจ็คคอนฟิวนี่เป็นเป็นอาจารย์กรรมฐานชาวอเมริกันเคยมาบวชที่พมา่าแล้วก็เมืองไทยสวนโมกแล้วกักบนอ้นองป้าพงก็เคยไปนะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระไทยดีนะพระที่ทำกรรมฐานนะแล้วพอกลับไปอเมริกาพอศึกไปแลกลับไปอเมริกาเขก็ตั้งสํานักเป็นสํานักกรรมฐานที่มีชื่อคราวนึงก็มีผู้หญิงคนนึงมา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 ฉันรู้สึกาฉันต้องไปแล้วฉันทนอยู่ไม่ได้ถ้าฉันอยู่ต้องทั้งตายแน่แน่แต่จ้าจาร์มามองหน้าลูกฉันก็คงจะไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฉันรักลูกเหลือเกินอันนี้คือสิ่งที่นะมันเป็นมันเป็นวูบของคําพูดนะที่มันเกิดขึ้นในใจของผู้หญิงคนนี้ถึงตอนนั้นเธอรู้เลยว่าโอ้จริงๆรเนี่ยพ่อทิงเธอไปโดยที่ไม่เหลียวมองนี่ไม่ใช่พรอพ่อไม่รักเธอพ่อรักมากแต่พ่อรู้ว่าพ่อไม่สามารถจะสบตาเธอได้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 หรือถึงแม้เป็นแผลเลื้อดลังนะั้นมันก็ยังเป็นแผลที่ยังทำความเจ็บปวดอยู่จะร่วมเป็นอดีตรหรือไม่เนี่ยจะจะลวกปล่อยวางหรือไม่ก็ดูจากการที่ว่าเรานึกถึงเหตุการณ์นะั้นเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยแสดงว่าเราปล่อยวางแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดจนทำไม่อยากนึกถึงมันแสดงว่ามันยังไม่ใช่อดีตมันยังเป็นปัจจุบันเหตุการณ์อดีตแต่ว่าแผลเนี่ยเป็นแผลในปัจจุบันเป็นแผลสดหรือแผลเลื้อดลังก็แล้วแต่ เหมือนกับว่าเราเดินไปเหยียบ้ําเนี่ยเดินไปเหยียบ้ําเมื่ออทิที่แล้วมันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าน้ํามันยังคาอยู่ในอยู่ในเท้าเป็นแผลเนี่ยแต่ทีไรเจ็บทุกทีจริงเดียวที่ต้องทำก็คือว่าดึงหนามนั้นออกเอาเสียนออกมาจากแผลให้ได้ต้องใช้ความกล้าและต้องเจ็บปวดแต่ว่าพอเอาออกแล้วมันก็จะหายกลายเป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นนั้นแต่เท่าไหร่ก็ไม่เจ็บแล้ว อันนั่นหละแสดงว่าเราปล่อยวางแล้วมันกลายเปอดีตไปแล้วมันไม่มีเสี้ยนต่ําท้ายต่อไปคนส่วนใหญ่หนึ่งจะปล่อยให้เสี้ยนมันต่ําิตต่ำจิตใจอยู่นะนั้นต้องต้องหาทางทําให้เสี้ยนมันออกมาและที่ยังเสี้ยมยังต่ำอยู่เพราะว่าปฏิเสธมันผักสายมันกดข่มมันนะเพราะไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยคอยทิ่มแทงคอยรบกวนจิตใจนะนั้นก็ต้องจัดการนะดยการที่ย้อนกลับไป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 คล้ากับเวลาเรากําลังซื้อของหรือกําลังเดินอยู่บนถนนเนี่ยมีคนมาชนเราอย่างแรงเลยแวบบแรกเนี่ยก็คือโกรธแต่พอเราเหลือไปมองแล้วพบ ว, ว่าเขาตาบอดนะมันหลุดเลยนะมันให้ภัยเลยไม่มีกรยธ์ตอบไปหรือเพราะพรว่าเขาเมาเหล้านะหรือเขาเป็นคนบ้าเนี่ยไอความกลัวความเปลียดมันหายไปเลยเพราะอะไรเพราะเข้าใจเขา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 มันไม่ใช่แค่เฉพาะาาความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดนะความรู้สึกเศร้าทั้งนั้นแม้กระทั่งความรู้สึกผิดด้วยมันก็เป็นแผลที่ทำร้ายจิตใจคนเหมือนกันมีนบางคนเนี่ยนะเวลาเวลาเจอก็เจอเป็ดเนี่ยหรือเวลาเห็นก็เจอเป็ดเนี่ยนะจะจะรังเกียจมากจะไม่อยากพูดไม่อยากนึกถึงก็เจอเป็ดนะเดี๋ยวว่าจะกินเลยแต่ก่อนไม่เป็นนะ